บวชนั้นนะ่ะจะต้องฉันหุนเดียวและต้องฉันหุนเดียวตลอดชีวิตด้วยนะบางคนได้ยินแค่คำนี้คําเดียวถอยนะถ้าบอกโอุ้ฉันหุนเดียวตลอดชีวิตโสนะโกติกันนะอุบาสกก็ไม่ได้คลายศรัทธากับมีใจเลื่อมใสศรัทธาให้จะบวชยิ่งขึ้นแต่ว่าในแคว้นอวันตีชนบทชนี้มีภิกษุน้อยอุบาสกผู้นี้คอยบวชอยู่นี่นะตั้งใจที่จะบวชหยุดสามปี สมปีจึงได้บวชเมื่อบวชแล้วก็ใครที่จะไปเฝ้าพระบรมศารสดาก็ลาพระอุปชาคือลาพระหมากใจยนะลาพระบรมแล้วก็ไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่มัวิหารเชเทวันที่กรุงสาวถีเนี่ยพระบรมศาสดาก็ต้อนรับให้พักอยู่ในคันทกุดีเดียวกันกับพระองค์ในตอนใกล้รุ่งพระบรมศาสดาก็เชื้อเชิญให้พระโสนากุติกันนะสวดพระสูตรในทํานองสระพันญะให้ฟัง ทวดทนองสรพันยาสวดเคยสวดไหมสวดเป็นไหมสวดยังไงธรรมนองสรพันยาอย่างที่บทพราทิยตันสวดว่าสัมพุทโธ ท, ที่ปะทังเสโธนิสินโนเจวมามิชีเนี่ยสวดลักษณะยังอันนี้เขาเรียกสวดทรรนองสรพันยาเมื่อสวดจบแล้วเนี่ยพระบรมศาสดาก็นุโมทนาสาธุการเป็นพิเศษ พวกเทวดาทั้งหลายได้ฟังพระประมา ศ, าศาสดาทรงประทานสาธุการแก่พระโสณะอย่างนี้แล้วก็พากันส่งเสียงสาธุการต่อๆไปจนถึงพรหมโลกแสดงว่าท่านสวดเพาะจริงๆเวลาสวดท่านสวดเพาะจริงๆพระบางองค์เนี่ยท่านท่านเทศไม่ได้แต่ท่านขึ้นมาท่านก็สวดสรพันญะให้โยบังโยฟังบรรลุกันเป็นแถวหรือใช่ไหมในยุค ก, ก่อนเนี่ยหยิบยเอาพุทธพจน์ขึ้นมาสวดเนี่ยอย่างเช่นว่าเวลาเขาจะ เชิญให้คนสวดธรรมจักว่าอนุตรังพีซัมพโพทิงซัมผูชิตวาตธาคโตีเนี่ยเวลาเวลาเขาจะก่อนจะกล่าวหรือจะสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรเขาก็จะสวดบทนี้เชิญชวนให้ฟังธรรมจักกับประวัตนาสูตรว่าธรรมจักกับปวัตนาสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่พุทธเจ้าตรัสรู้โปรดปัญญวคีเป็นสูตรแรกที่แสดงธรรมเป็นต้นเทวดาก็นโมธนานื เทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนของมารดาของพระโสนะในกุระรัคนะนครเนี่ยนะซึ่งอยู่ห่างจากพระวิหารเชตวันที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ถึงร้อยยี่สิบยก็ได้ยินเหมือนกันก็นกได้สาธุ ก, การแก่พระโสนะด้วยเสียงอันดังมารดาของพระโสนะก็ถามว่าใครทำการสาธุการเทวดาก็บอกว่าเราเองเหมืนนอนกันนะเทวดาบอกว่าเราเอง อุบาสิกาผู้เป็นมารดาก็ถามว่าท่านเป็นใครเทวดาก็บอกว่าเราเป็นเทวดาสิงอยู่ในเรือนของท่านอุบาสิกาผู้เป็นมารดาก็ถามว่าเมื่อก่อนนี้ท่านไม่เคยให้สาธุการแก่เราเหตุไรในวันนี้จึงจึงให้เทวดาก็ตอบว่าเราไม่ได้สาธุการแก่อุบาสิกาแต่เราสาธุการแก่พัสโซนะกุติกันนะผู้เป็นบุตรของอุบาสิกาอุบาสิกาก็ถามว่าบุตรของเรานี่ทําอะไร ท่านจึงได้สาธุการเทวดาก็บอกกระบุตรของนางอยู่ในคันตกุดีมา อ, อยู่ในพระคันตกุดีเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงทำให้พระบรมศาสดาฟังก็คือว่าเก่าวทํานองสรพันย้า น, นั่นเองให้พระบรมศาสดาฟัพงพระองค์ทรงประทานสาธุการด้วยความเลื่อมใสเทวดาตั้งหลายตั้งแต่ชั้นต่ําไปจนถึงพรหมโลกสาธุการกันไปแถวเลยเนี่ยเทวดานี่นะลองคิดเทวดานั้นการสาธุเนี่ยการสาธุเป็นเรื่องที่ดี ถ้าหากว่าการฟังธรรมนี่เนี่ยในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาสาธุเป็นท อ, ทอดๆเลยแล้วถ้าเราไปฟังก็กระหึมเลยว่างั้นเถะในยุคนี้ไม่มีหรอกที่นั่งฟังธรรมแล้วไปนมมือไปบางทีฟังไปก็สาธุเป็นระยะนี่ไม่ค่อยมีหรอกท่านในยุคนั้นเขาจะสาธุกัอนเยอะคือพอพระบรมศาสาศดาสาธุเทวดาก็สาธุด้วยเนี่ยนะ เ ท, ทวดาก็เลยว่ า, ว า, วาเมื่อพระบรมศาสดาสาธุแม้เราก็ได้สาธุเช่นกันอุบาสิกาได้ยินบุตรของตนแสดงธรรมแก่พระบรมศาสดาก็เกิดปีติซ่านไปทั่วร่างกายคิดว่าเมื่อบุตรของเราเนี่ยสามารถแสดงธรรมแก่พระบรมศาสดาได้ก็จะต้องสามารถแสดงธรรมแก่เราได้เหมือนกันหากบุตรของเรามาเราจะไปฟังเขาเริ่มคิดแล้วใช่ไหมก็เลยคิดเลยว่า ฝ่ายท่านพระโสนะเมื่อพระบรมศาสดาสาธุการแล้วท่านพระโสณนะท่านก็กราบทูลว่าความที่ท่านพระหมหากัจจายนะอุปชาของท่านฝากเรื่องการกราบทูลพระบรมศาสดาเมื่อทูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลาพระบรมลาพระพุทธเจ้ากลับไปยังสำนักของพระอุปชาที่อวันตีชนบททีนี้วันรุ่งขึ้นท่านพระโสณะก็ออกไปบินทบาท ทีนี้เมื่อท่านออกไปเที่ยวบินธบัตแล้วก็ได้ไปเลยถึงเรือนของอุบาสิกาผู้มารดาของท่านใช่ไหมอุบาสิกาเห็นบุตรชายมาก็ดีใจก็ถวายพระทหารด้วยความเคารพ ก, ก็ถามว่าได้ยินว่าขณะอยู่ตั้งไกลนะอยู่เป็นเลยร้อยยอดที่นะไม่มีโทรศัพท์ในยุคนั้นแต่เทวดาส่งข่าวเทวดาส่งในยุคนี้ไม่เคยมีเลยเทวดาไม่อยากอยู่ใกล้หรือยุ่ ได้ยินว่าท่านอยู่ในคันธ ก, กุดีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งทรงแสดงธรรมแก่พระพุทธเจ้าจริงหรือท่านพระโสณนะก็ถามว่าใครบอกเรื่องนี้แก่อุบาสิกาอุบาสิกาก็ตอบว่าเทวดาที่อยู่ในเรือนนี้เป็นผู้บอกเออคืออย่างนี้นะเทวดาเนี่ยเขาไปไหนมาไหนแวบบเดียวเลยอย่างเช่นว่าเทวดาจะอ ย, าอย่างเทวดาที่อยู่ในอินเดียจะมาตรงนี้แป๊บเดียวไม่ทันหายใจอ่หายใจเข้าหายใจออกก็ถึงแล้ว ไปได้ทั่วไปหมดในโลกใบนี้เนี่ยโอ้ยอย่างเราจะไปนี่ลำบากเลยเนี่ยเนี่โดนคน้นโดยเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยโดนตรวจโดนอะไรสรารพัดถ้าเป็นเทวดานี่เขาเร็วมากฉะนั้นเขาเขาสะดวกอย่างเงี้ ย, ยก็อันนี้เขาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเล่ามีพระรูปหนึ่งเป็นพระเป็นพระ อ, อยู่ที่พมา่าท่านสาธยายสาธยายกับคขมิบ์ประธาน คำพิปฐานเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเวลาสาธยายเนี่ยเราสาธยายกันเฉพาะอุเทศเหตุปัจจโยอารมณปัจจะโยดีปฏิปัจจโยอานันปัจจะโยเป็นต้นเนี่ยเราก็สาธยายกันแค่ตรงนี้เนีแต่แต่ในพระมหากาสาธยายทั้งนิเทศด้วยอย่างเช่นเหตุปัจจโยติกะบอกว่าเหตุตูเหตุูสมยุตการนางเหตุตูเหตุตูสมยุตการนางธรรมานังตังสมุทฐานานังจารูปานังเหตุปัจเจนะปัจจะโยเนี่ย ก็าาสาธยายเงี้ยหรือว่ารูปายะตะนะจกักกูยานาธาตุยาตังสมิสกานั้นจรธรรมานังอารมณังปัจเจเนปัจโยเ น, นเขาสาธยายเขาไม่สาธยายชั้นๆอย่างเราหรอกเขาสาธยายจนจบคำพิบัติฐานเนี่ยเนะี่ยเขาสาธยา ย, ยานี้ทุกวันมีพระรวมหนึ่งท่านก็บสาธยายเสียงเพราะมากออกอักขละชัดเจนมีอยู่ตอนคืนนะว่าพอมืดมืดแล้วท่านก็เอ๊ะในขณะท่านสาธยายไปเหมือนคนนั่งฟังท่านอยู่ เหมือนคนแอบฟังเหมือนคนแอบฟังท่านก็สาธยายไปก็สังเกตก็เห็นท่านก็เลยหยุดพอหยุดเปแล้วท่านก็ถามว่าใครเนี่ยแสดงตัวเดี๋ยวนี้วะงั้นเทวดาก็แสดงตัวเลยอ๋อกลายเป็นเทวดาท่านก็เลยถามโอ้โห อ, อยากเห็นมานานแล้วคือไม่เคยเห็นเลยเพราะ ข, ข้าพเจ้าไ ม, ม, ม่มีบุญเกิดยุคนี้ก็เลยถามบอกเออข้าพเจ้าสาธยายเนี่ยประธานเนี่ยสาธยายทำเนี่ย กับพระบรมศาสดาแสดงธรรมเนี่ยต่างกันไหมเทวดาสายหน้าเลยก็บอกบอกโอ้โหต่างกันมากต่างกันอย่างฟ้ากับดินเลยต่างยังไงเออท่านเหมือนคนเป็นโรคเลือนเหมือนคนติดอ่างเหมือนคนพูดไม่ชัดแล้วกล่าวกล่าวคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไพล้อมากเสียงไพล้อมากถ้าใครไปฟังเนี่ยสติจะไม่ไม่หลุดออกจาก จากการฟังเลยท่านยังรู้ตัวโอ้โหขนาดในนั้นน่ยใครก็ยกย่องว่าท่านเนี่ยสาธยายพ่อมากเหมือนคนติดอ่างก็เหมือนคนเป็นโรคเลือนสาธายคันเก่าแล้วก็พูดเออๆอย่างนั้นเนี่ยนี่ที่เราคุยกันก็กล่าวธรรมากันเนี่ยไม่มีความเพาะอะไรเลยนี่ยเนี่ยเสียนวังพวกเราขนาดไม่เพาะอะไรยังยังยังพอฟังได้ใช่ไหมเราคิดดูถ้าเทวดาเขาก็ฟังได้เขาก็ฟังได้เพราะก็ต้องหาฟังอยู่แล้ว แต่ว่าเขาฟังไปก็ต้องทำใจอย่างมากเลยเพราะเสียงมันไม่เพราะเสียงไม่เพราะนี่นี่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะรู้ว่ารู้ว่าต่างงั้นคนในยกนี้จะรู้ว่าเสียงดีที่สุดเนี่ยคือเสียงที่น่าเกลียดมากเสียงที่น่าเกลียดมากขนาดเราลงทุนซื้อเลยบางคนนี่นะลงทุนซื้อแผ่นนั้นแผ่นนี้มาฟังเพลงกันดูนงกัเสียงเพราะว่างั้น ที่จริงมันไม่พอเลยทีนี้ยุคนี้มันมีดีที่สุดแค่นี้ไงเรายังไม่ได้เคยฟังสิ่งที่มันดีที่สุดแต่สังเกตได้ว่าคือฟังแล้วใจเราหลุดออกเรื่อยแต่ถ้าหากฟังพระบรมศา ส, ศาสดาสแสดงเนี่ยไม่ออกเลยพอพระพุทธเจ้ามาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เวลาแสดงธรรมนี่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยความรู้สึกของสาวกแต่ละองค์เนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อกันอย่งนั้นเลย ฟังก็ไม่อิ่มไม่เบื่อทั้ง้นั้นก็จะฟังกันเป็นคืนได้เลยใช่ไหมจ๊ะังนั้นเราก็แปลกใจเอ้ทาไมฟังตั้งแต่ตั้งแต่ตอนหัวค่ํายันลุ่งสว่างเนี้ยแต่อย่างเราเนี่ยเเรียบร้อยเวหลายตื่ น, นใช่ไหมไม่มีกิจกรรมแล้วมีเหมือนกันนะแถว้าคอีสานเนี่ยนี่ยเขาพยายามเรียนแบบเหมือนกันนะคือฟังทำตลอดลุ่งนี่โอ้ยทนกันไปนั่งดูแล้วน่าสงสารเลยน่าสงสารไปพยายามทนกันนั่นแหละหลับแล้วหลับอีกบางคนก็ลักษณะอย่างเนี้ ทานพรโสดแสดงธรรมท่านพระโสดก็รับอาราธนามารดาเนี่ยแล้วก็ถวายพระถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์เสก่อนเป็นการบูชาแล้วจึงฟังธรรมเพราะเหตุที่นางคิดอย่างนี้เมื่อครบกำหนดนางจึงให้ทาสีคนเดียวเน่ยเฝ้าบ้านส่วนนางก็พาบริวารที่เหลือทั้งหมดไปฟังธรรมอุบาสิกานั้นท่านมีเงินมากเพราะฉะนั้นท่านต้องระวดระวังป้องกันอันตรายอย่างรอบครอบในเรือนของท่านตลอดเวลา บ้านของท่านเนี่ยมีอะไรด้วยกำแพงสูงเจ็ดชั้นมีซุ้มประตูเจชั้นนแต่ละซุ้มอ่ะล่ามสุนัขดุเอาไว้ด้วยเอาเป็นยามด้วยนยตรงชายคาเรือนตรงที่น้ำตกลงมาที่พื้นดินก็ขุดคูไว้แล้วก็ใส่ดีบุกไว้จนเต็มเพราะฉะนั้นเน่เวลากลางวันเมื่อดีบุกถูกแสงแดดเผาก็มองดูเหมือนกับว่าดีบุกนั้น่ะละลายหรือเดือดพล่าน แล้วอย่างนี้ใครจะกล้ากล้าเข้าไปในเรือนทีนี้ในเวลากลางคืนดีบุกก็จะแข็งกระด้างยิ่งกว่านั้นในระหว่างครูเรือนนั้นท่านก็ยังได้ปกักขวากน้ำติดกันไว้เพราะเหตุที่ท่านป้องกันทรัพย์ในบ้านของท่านอย่างดีทั้งอุบาสิกาและบ่าวไพ่ก็อยู่ในบ้านนั้นด้วยพวกโ จ, จรจึงหาโอกาสเข้าไปลักไม่ได้ทีนี้ในวันที่อุบาสิกาไปเสด็จไปฟังธรรมเหลือไว้แต่นางทาสีคนเดียวนคนใช้อะ โจรก็ได้โอกาสคือโจรจ้องจ้องมานานแล้วป้องกันไว้ดีนะก็ขุดอุโมงค์ผ่านเข้าไปข้างใต้ถึงใต้ครูแล้วก็ใตใ้เหล็กที่เขากันเขาไว้หัวหน้าโจร น, นั้นนะี่ยไม่ได้เข้าไปด้วยแต่ยืนอยู่ที่อุบาสิกาฟังธรรมคือในขณะที่ที่นั่นเนะ่ยไอตัวหัวหน้าโจรไม่ไปด้วยนะมาฟังธรรมอยู่เหมือนกันเพราะว่าคอยจ้องอุบาสิกานี่อยู่ว่า ถ้าจะกลับก็จะจัดการกลางทางตามไปฆ่าแต่ให้ลูกน้องไปลักในลักษณะอย่างนั้นน่ะนะทีนี้อุบาสิกาก็ฟังทำไอ้โจรก็คอยดูแลเราอยู่เนี่ยนะคิดว่าี่ถ้าอุบาสิกานี้กลับบ้านถ้ามีคนมาบอกว่าของหายหรือว่าก็จะฟันจะฆ่าโจรลูกน้องเป็นร้อยๆที่ต่อมาก็เข้าไปใน พวกลูกน้องของโจรก็เก็บกะหาปณะนะเก็บเอาเงินเอาทองออกไปหมดนางสาสีก็นําความไปบอกอุบาสิกาอุบาสิกาก็บอกว่าโจรจะขนเกระหาปณ ะ, ะไปก็ช่างเถิดบวกว่เราจะฟังธรรมเหมือนนันจากลูกของเราเจ้าอย่ามารบกวนการฟังธรรมของเราเลยกลับไปในเรือนเสืเอเถอดเลยนางทาสีได้ฟังนายว่าดังนั้นแล้วก็กลับไปก็แปลกใจเหมือนกันว่าอี ช่างนั่งฟังทาอยู่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่โจรขนเงินไปหมดแล้วแต่นางก็เป็นคนใช่นะไหมนายสั่งยังไงก็ต้องทาตามก็กลับไปบ้านตามคำสั่งทีนี้ต่อมาเนี่ยโจรแต่พอโจรไปเปิดห้องเก็บเงินนางทาสีก็กลับมาบอกอีกกลับไปบอกครั้งที่สองว่านางก็ก็บอกอีกว่าว่านางจะฟังทำอย่ารบกวนบอกว่าโจรมันขนห้องที่สองไปแล้วอะไรเนี่ยเนะี ที่นางทาสีก็กลับไปใหม่อีกขันจนเปิดห้องเก็บทองเด้๋ยวนี้กําลังขนเงินทองอีกก็กลับไปว่านางก็ก็ตอว่าอีกอย่ามารบกวนเราจะไปฟังธรรมถ้าเจ้าไม่ฟังขืนมาบอกอีกนางก็บอกว่าทั้งนั้นเห็นดีกันเนี่ยประเภทอย่างเงี้ยนะทีนี้เมื่อในรักษณะนั้นนะหัวหน้าโจร น, นั้นอยู่ในสถานที่ฟังธรรมก็คอยดูราดเราอุบาสิกาอยู่เนี่ยนะีได้ยินท้อยคําทั้งหมด ทั้งที่อุบาสิกากล่าวแก่ทาสีสามครั้งฟังไปฟังมาไอความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกที่มันผิดก็เลยก็เลยสำนึกขึ้นม า, าถ้าพวกเราลักเอาทรัพย์สินของหญิงคนที่มีคุณธรรมเช่นนี้ไปนี่เราคงจะถูกฟ้าดินลงโทษแน่แน่วก่อนกันนะนึกเงี้ยนะไปไปมาโจนก็เลยแอบออกจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปบอกลูกน้องบอกเอาเอาเอาทรัพย์กลับไปคืนก็ะกไม่เอาเลย แล้วก็ไว้ที่เดิมนะนะท่านพระโสนะแสดงธรรมอยู่จนสว่างจึงได้ลงจากธรรมะโจนมันนั่นเบเ็ดเสร็จแล้วนะมันเอาทรัพย์กลับไปคืนเบเ็ดเสร็จแล้วกลับมาฟังธรรมต่อนะ <c oughs> พอฟังไปฟองมาแล้วโจ <c oughs> โจนเปลี่ยนใจนะเรียบร้อยเลยกลับมาพอหลังจากพระโสนะแสดงธรรมจนสว่างเลยนะก็ลงจากธรรมะหัวหน้าโ จ, จนก็เข้าไปหมอบที่แทบเท้าของอุบาสิกา แล้วก็บอกยกโทษให้ด้วยอุบาสิกาก็ถามอ่าเรื่องอะไรใช่ไหมโจรก็เล่าให้ฟังทั้งบอกว่าตัวเขาคิดจะฆ่าอุบาสิกาจึงได้มายืนคุมเชิงอยู่ตรงเนี้อุบาสิกาก็ยกโทษให้ในายโจนและบริวารก็เลื่อมใสเนีจึงขอบวชในสำนักของพระโสดนะไอ้พวกโจรเนี่ยนะแล้วก็พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมะที่บุคคลประพฤติแล้วผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติเนะี่ยตรงนี้เห็นไหมว่าเขาเลื่อมใสจริงๆก็มีอา น, นิสงส์จริงนะแต่โดยมากที่เราเลื่อมใสกันในยุคนี้มันไม่จริงแบบนี้นะถ้าจริงอย่างนี้จริงๆเ น, นี่ยมีอานิสงส์แบบนี้นะเนี่ยขันพวกจอนอุปสมบทแล้วบำเพ็ญอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งพระบรมศาสดาก็เปล่งรัศมีไปลาวกะว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่เฉพาะนะจอนเหล่านั้น แล้วก็ตรัสคาถาแสดงธรรมให้ฟังภิกษุทั้งหลายที่เคยเป็นโจรมาก่อนเกิดปีติปลาโมดก็น้อมใจไปตามพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระลหันพร้อมด้วยปฏิสัมพิธานทมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทม ท, ที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงในธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ พุทธดาหลักนี้เป็นความจริงอุบาสิกาท่านเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมนะทำที่ท่านประพฤตินั้นคุ้มครองรักษาตลอดจนทรัพย์สินของท่านไม่ให้เป็นอันตรายนะผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจึงได้รับผลคือความสุขฉะนั้นผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมอยู่สม่ำเสมอเป็นปกติเนะี่ยจึงได้รับความสุขในปัจจุบันถ้าหากว่าตายไปแล้วก็มีสุขติเป็นไปในภพหน้านะเนี่ยเอินี้ตามที่เรื่องที่ได้ยกมาเนี่ยเชื่อเห็นว่าอา น, นิสงส์การฟังธรรมนี่นะี่ นี่เป็นอานิสง์การฟังธรรมประการหนึ่งส่วนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยในอังคตระนิกายปัญญาการนิบาตอุทายีสูตรในข้อที่159มีข้อความบอกว่าสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่โคสิตารามเนี่ยใกล้โกสัมพีพระนน์เนี่ยเห็นท่านพระอุทายีแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางกระหัตมูใหญ่ ท่านพระนนก็เข้าไปกราบทูลให้พระผู้มีพภาคเจ้าทราบพระพุทธองค์ก็ตรัสว่า mm. การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่เป็นของง่ายผู้แสดงธรรมควรตั้งใจไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมไปตามลําดับในประการแรกเนี่ยนะอันนี้พูดถึงการแสดงธรรมเราจะแสดงธรรมอ้างเหตุผลเราจากแสดงธรรมด้วยเมตตากรุณาหนึ่งเราจะไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่อามิตร และก็เราจะไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นเมื่อได้ตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วจึงควรแสดงธรรมในในหาประการเนี่ยนะข้อแรกก็คือว่าแสดงไปตามลำดับลำดับแห่งการแสดงธรรมเนี่ยนะเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่คารวาสเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอนุบุพิกถาอนุบุพิกถาก็คือแสดงเรื่องทานแล้วก็แสดงศีลแล้วก็แสดงสวรรค์ แล้วก็แสดงโทษของกามแล้วก็แสดงอนิสงส์แห่งการออกจากกามแล้วก็จะจบลงด้วยอริยสัจสก็กล่าวคือทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธแล้วก็มรรคเนี่ยนะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องทานเนี่ยนะเบ็ดเสร็จแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปลงในอริยสัจถ้าเราตรวจดูในคําสอนนี่นะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเกี่ยวในเรื่องของอย่างยกตัวอย่างเช่นใน แสดงอส า, าธาเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้ที่ที่ว่าแสดงเกี่ยวในเรื่องของอัศาธาเนี่ยถ้ามองดูจากคําสอนนี่นะเช่นว่าสุคสมมนัสตันหาวิปลาสอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้จัดว่าเป็นเป็นอัาธะที่ว่าเป็นอสาธะก็เพราะว่าสุคสุขเวทนาสมมนัสเวทนาตลอดถึงพวกกลุ่มความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ย ความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้เขาเรียกว่าอัศาธาอศาศธาเนี่ยตามความหมายเขาแปลว่าเขาแปลว่าความยินดีนะแปลว่าความยินดีอัศาธาสิ่งที่ถูกบุคคลยินดีก็ได้สิ่งที่ถูกยินดีสิ่งที่น่ายินดีก็ได้ถ้าบอกว่าอะไรคือสิ่งที่บุคคลพึงยินดีสุขขังสมมนัสสังสุขสมมนัสนี่เป็นองค์ธรรมของอัศาธา อาสาท่านี่หมายถึงสุขสมณัตนะเป็นองค์ธรรมอย่างหนึ่งของอาสาทัสุขก็น่ายินดีไหมน่ายินดีสมณัติแหละก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเขาเรียกสุขเวทนาก็คือสุขทางกายส่วนสมณัตเวทานานี่ก็คือสุขทางใจเนะี่ไม่ว่าจะสุขทางกายหรือสุขทางใจร้วนแต่เป็นสิ่งที่น่ายินดีเนี่ยนะฉะนั้นอาสาท้าจึงหมายเอาสุขและหมายถึงสมณัตอาสาท่นี้เป็นคําเรียกหรือเป็นโวหาร ซึ่งยังไม่สามารถที่เข้าถึงองค์ธรรมได้แต่คำว่าสุขสมนัตนี้เป็นสื่อทำให้เราสามารถถึงธาตุแท้ของอัาถะได้อัตถกถาท่านจึงบอกว่าสุขสมนัตถ้ามองในแง่ของอารมณ์เนี่ยนะหมายถึงอิทธารมอิทธารมโดยความหมายก็หมายถึงว่าอารมณ์ที่น่ายินดีเมื่อเราเห็นอิทธารมเนี่ยนะเราก็เรียกว่าอิสสะอัะเนี่ยนะ ซึ่งเวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก็จะทรงยกสิ่งเหล่านี้ประกอบอยู่ในอิทธารมถ้าอิทธารมนี่ถ้าว่าโดยองค์ธรรมก็คือว่าจิเตเจตสิกรูปเตภูมิกะสังขารคือสังขารที่เป็นไปในภูมิสามเช่นว่าการในเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นรูปภพพรหมเนี่ยแต่ในส่วนที่ดีๆนะอันนี้เป็นอสาทหมดเลยเช่นชีวิตของเราที่ประสบสุขโสมนัสทั้งหลายเนี่ย แต่สิ่งที่ดีๆในเสกที่ดีเนี่ยนะอันนั้นเป็ถือว่าเป็นอัศาธาของท่านเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าอัศาธะานับเนื่องในในอิฐาลมทีนี้ว่าสิ่งที่เป็นเหตุให้ยินดีหรือสิ่งที่เป็นเหตุให้บุคคลยินดีเนี่ยถ้ามองถึงว่าตันหาคือความโลภเนี่ยไอตัวตันหาเป็นเหตุให้บุคคลยินดีในในอิฐาลมนอกจากตันหาแล้วก็ยังมีพวกวิปราร ด, ด้วย พวกสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสจิตตาวิปลาสเนี่ยไอความวิปลาสต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุทําให้เรามีความคิดเห็นที่คาดเคลื่อนแล้วเราเราไปสําคัญว่ามันสุขจริงๆใช่ไหมเช่นเราจําว่ามันสุขจําว่ามันเที่ยงจําว่ามันมันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะจำว่ามันงามเนี่ยนะอันนี้ทําให้เราเกิดสุขสมณะนะหรือถ้าเราคิดว่ามันสุขคิดว่ามันเที่ยงคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนคิดว่ามันงามเนี่ย ถ้าเราเห็นว่ามันสุขเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนเห็นว่ามันงามเนี่ยอิทธารมต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะเป็นอนิถารมนะแต่ถ้าในความรู้สึกของเราเราชอบเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นอิทธารมของเราไปสรุปก็คือว่าสุขเวทนาตัณหาวิปลาสอาศัทเาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผล ถ้าอาสาท่าที่เป็นเหตุเนี่ยเช่นกลุ่มมหากุศลนะ่ยมหากุศุนสมมา น, นั้นนะ่ยในขณะที่เราทําบุญในขณะที่เราเจริญกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้เราเราเกิดความสุขใจนี่อาสาท่าที่เป็นเหตุส่วนอาสาท่ที่เป็นผลก็คือทวกวิบากที่เราได้รับในสิ่งที่ดีๆนี่ในอาสาท่านประการต่อมาคืออาทีนาวะอาทีนาวะนี่เขาแปลว่าโทษในที่นี้ได้แก่ทกเขเวธนานะ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กระทู้วิปริณามทาะทุกข์สังขาระทุกข์ล้วนแต่เป็นอาทีนวะทั้งนั้นสังขารที่เป็นไปในภูมิทั้งสามเป็นอาทีนวะท่าแท้ของธรรมที่ไม่ที่เป็นอาทีนวะเนี่ยคือปัญหาอย่างนี้อสาศะเนี่ยสิ่งที่เป็นสุขสมานัตเนี่ยนะเช่นตาหูจมกูกเล่นกายเนี่ยในยามที่มันไม่เจ็บปวดในตอนนั้นเป็นอศาศะท่แต่ต่อ ม, มันเกิดเจ็บปวดหรือมี โครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอันนี้กลายเป็นอาทีนวะทันทีฉะนั้นสังขารเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเรียกว่าอาทีนวะเพราะประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อาทีนวะเนี่ยที่เราจะมองเห็นตรงนั้นได้จะต้องมีอาทีนวานุ ป, ปัสนาคือปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษถ้าวิปัสสนามองไม่เห็นโทษของสังขารก็แสดงว่ายังไม่เป็น ยะถาภูตะนยะอาทีนะวะในที่นี้รวมความถึงสังขารที่เป็นไปในภูมิสามที่เป็นทุกเนี่ยเนะี่ยเออถ้ามองมองในลักษณะอย่างนี้ว่าที่พูดตรงนี้ก็คือเวลาพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมพระองค์แสดงอะไรหนึ่งพระองค์แสดงอัาธะคือสุขโสมนัสประการที่สองพระองค์แสดงอาทีนะวะคือทุกโทษคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาของสิ่งนั้น ประการที่สพระพุธทธเจ้าแสดงนิสรณะนิสรณะเนี่ยหมายถึงอริยมรรคนีคือความหลุดพ้นเอเตนะโดยธรรมนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่านิสรณะองค์ธรรมเป็นเครื่องคําว่านิสรณะนี่ก็แปลว่าเหตุนําออกหรือว่าเป็นทำเป็นเหตุให้หลุดพ้นเรียกว่านิสระณะโดยตรงหมายถึงอริยมรรคนีส่วนอริยผงอริยผลเนี่ ย, ยท่านตัดโดย อ, อ้อมส่วนอีกในหนึ่งเนี่ยนิสรณะเนี่ยท่าน หมายเอาพนธิพานเลยทีเดียวทีนี้ถ้าหากว่เราจะพิจารณาดูนะว่านิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ออกจากวัตจุกได้เพราะเป็นอปริยะอันเป็นอปริยาปณธรรมธรรมที่นําออกจากวัตเนี่ยธรรมที่นําออกจากวัฏทีนี้ธรรมที่นําออกจากวัตเนี่ย น, น, นะเช่นถ้าเราบรรลุพระพุทธเจ้าแสดงอส า, าธาแล้วพระพุทธเจ้าแสดงอาทีนวะแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงนิสสระณนะ เหตุที่แสดงนิสรณะเนี่ยเพื่อต้องการจะให้เราได้เข้าใจว่าถ้าเราติดคล้องในในสิ่งที่เป็นสุขสมนัตเป็นต้นเนี่ยหรือตันหาวิปลาสเนี่ยเราก็หลุดไม่ได้หรือถ้าเราไปเกี่ยวคล้องกันกับอาทีนว่าหรือทกโทษเนี่ยตรงนั้นเราก็เกิดปฏิฆาก็เกิดโทสะแต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อออกจากสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องนิสระได้แก่อริยมรรคและพระนิพพาน คำว่า น, นิสรณะนาเนี่ยนอกจากจะหมายถึงอริยมรรคแล้วในชั้นต้นๆเนี่ยหมายถึงการเจริญสติปัฏฐาน 4, สสัมมาปัฏฐานสี่อิทิบาท4อินทรีห้าพละหโ พ, 5, พชฌงเจ็แล้วก็อริยมรรคมีองค์แปดถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นนะจะเห็นว่าอย่างเช่นว่าถ้าจะเจริญสติปัฏฐาน4ี่เราก็ต้องย้อนดูก่อนว่าสติปัฏฐานสี่จักบริบูรณ์ได้ด้วยอาการอย่างไร สติปัฏฐานสี่จะบริบูรณ์ได้ก็ต้องสุจริตสามต้องบริบูรณ์ใช่ไหมกายสุจริตวิจิตสุจริตมโนสุจริตต้องสมบูรณ์หรือต้องบริบูรณ์อะไรสุจริตสามจะบริบูรณ์ได้ด้วยอะไรก็ด้วยอินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์อินทรีย์สังวรที่บริบูรณ์ก็จะต้องมีโยนิโสมนัิการที่บริบูรณ์ โยนิโสมนัิการที่บริบูรณ์ก็จะต้องมีสัตทธรรมะสวนาที่บริบูรณ์สัตทธรรมะสวนาที่บริบูรณ์ก็จะต้องมีครบสัตบุรุษหรือกัลยาณมิตรที่บริบูรณ์การครบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ก็เพราะอยู่ในถิ่นที่มีพระพุทธศาสนาที่บริบูรณ์การอยู่ในถิ่นที่มีพุทธศาสนาที่บริบูรณ์ก็เพราะมีบุญเก่าเนี่ยปุเพกตะปุญญตาสรุปก็คือว่าปุเพกตปุญญตาเป็นเหตุให้เราได้ ฟังพระสัทธรรมการฟังพระสัตธรรมเกิดโยนิสโสมณัิการโยนิสโสมนัิการก็เป็นปัจจัยให้เกิดอินทรีย์สังวรคือการไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจการไม่ให้ตาหูจมูกเกิดลิ้นลิ้นกายใจใเกิดบาปนี่ก็เป็นปัจจัยให้ได้สุจริตสามแม้ 3. สุจริตสสติปัฏฐานสตรงนี้ถึงจักบริบูรณ์ตรงนี้อนิสรณะนะ เพราะว่าสติปัฏฐานนี่เป็นเอกายโนอายังพิคเวมะโคเนี่ยทางสายนี้เป็นทางสายเอกเนี่ใช่ไหมทางสายเอกก็แปลว่าไม่ใช่ทางสองแพ่งไม่ใช่ทางสองสายเป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะเป็นปใจใัจจัยออกจากวัฏจักรทุกได้เห็นไหมก็งั้นการเจริญสติปัฏฐาน4อิทิบาส 4, 4อินสีห้าพระละห้าพ่อชงองมา์กแเนี่ยนะนีเป็นเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเดียวที่จะดําเนินไปสู่พระนิพพานคือความพ้นทุกข์ อันนี้เขาเรียกนิสรณะนฉะนั้นกายานุปัสนาจิตเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาเนี่ยเป็นนิสราะาเหมือนกันเพราะอะไรเป็นเหตุที่ให้นําออกจากเวททุกข์นําออกจากทุกอะไรนําออกจากชาติทุกชรลาทุกมรณะทุกโสกาปริเทวะทุกข่ะธมนะสะและก็อุปาญาตินี่มองอย่างงี้นะเขาเรียกมองคําสอนให้เข้าใจว่า พระพุทธเจ้าท่านแสดงอะไรถ้าสมมุติเราฟังธรรมเนี่ยเราต้องเอาตรงนี้ไปไปจับไม่ว่าจะฟังธรรมนะที่ไหนอย่างไรนี่นีประการแรกก็คือบางครั้งเนี่ยพระองค์จะแสดงอ ส, สาทะถ้าพระองค์แสดงอา ส, สาท้าเนี่ยถ้าไม่ได้กล่าวอาทีนะว่าคือทุกข์โทษเนี่ยชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะอา ส, สาท้นั้นแล้วถ้าหากว่าอา ส, สาท้านั้นเสื่อมไปสิ้นไปหรือสลายไปจะกลายเป็นทุกข์โทษทันที แล้วพระพุทธเจ้าจักแสดงอะไรต่อแสดงนิสรณะนิสรณะในที่นั้นก็คือแสดงอริยมรรคและแสดงพระนิพพานเมื่อแสดงอริยมรรคเนี่ยจะต้องย้อนลงมาอริยมรรคนี่เป็นวิชาและวิมุตใช่ไหมวิชาและมุตเนี่ยมีอะไรเป็นประทาัฐานก็บอกมีโพชฌงเจ็ดอ่ะโพชฌงเจ็ดมีอะไรก็ไล่มาตามลําดับเลยโพชฌงเจ็ดจะบริบูรณ์ได้ก็ต้องสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์อ๋อแสดงว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ย เป็นเป็นเป็นนิสสระนเหมือนกันแต่สติปัฏฐานสี่จักบริบูรณ์ไม่ได้ถ้าสุจริสามเป็นต้นไม่บริบูรณ์เนี่ยอันนี้เราก็ย้อนดูขับสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รู้ว่าเออพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้พระพองค์แสดงอะไรประการต่อมาก็คือผลผลในที่นี้ได้แก่เทสนาพลังคือผลแห่งการเทศนาอย่างเช่น เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งนั้นมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งใดที่เป็นผลที่เกิดจากการแสดงเทศนานั้นสิ่งนั้นเรียกว่าผลผลนี้นี่อาจจะแปลงจุดมุ่งหมายก็ได้ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมนั้นซึ่งความจริงแล้วอาจจะบอกว่าการบรรลุพระนิพพานการทำอริยมรรคและอริยผลได้แต่เนื่องจากว่าในที่นี้ท่านจัดเป็นผลโดยตรงท่านไม่จัดเป็นแต่ท่านถือเป็นผลสืบเนื่อง ส่วนผลโดยตรงเนี่ยในขณะที่ทรงแสดงธรรมท่านหมายถึงวัตถุประสงค์เบื้องต้นฉะนั้นผลโดยตรงตร ง, ตรงนี้ก็คือสุตตมยปัญญาเนี่ยขณะที่เราฟังทำรรเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยหนึ่งสุตตะสุตตะมเยยานังคําว่าสุตตะมยะญาหรือสุตตะมเยยานังหนึ่งปัญญาที่เกิด ข, ขึ้นจากการฟังเช่นทําให้เราสรุปลงได้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุก นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยที่เราได้ตรงนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสุตตามัยไม่ไม่เยียญานังแล้วเนี่ยเราสามารถมีความรู้แล้วก็ความรู้ก็สามารถเป็นเหตุให้ได้อัดและธรรมะและสามารถเข้าใจอัดของธรรมชั้นสูงๆต่อไปจนถึงบรรลุพระนิพพานได้ฉะนั้นนอกจากสุตตามัยปัญญาแล้วยังหมายถึงวิสุท ธ, ธิหมีศีและวิสุท ธ, ธิที่เป็นเหตุ เบื้องแรกของการที่จะก้าวไปสู่อริยมรรคเป็นปุบปภาคปฏิบัติอีกด้วยเป็นยังไงผลที่ได้ฟังก็คือผู้ฟังทำแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราได้เลยได้ศีลวิสุท ธ, ธิความหมดจดแห่งศีลพอฟังทำแล้วเราก็เป็นเหตุแห่งการที่จะงอกงามในสีเนะี่ยได้จิตแต่วิสุท ธ, ธิความหมดจดแห่งจิตได้ทิฏฐิวิสุท ธ, ธิความหมดจดแห่งปัญญาเนี่ยนะได้กังขาวิตรณะวิสุท ธ, ธิ ได้มัคามข้ายาณทัทสนวิสุทธิแล้วก็ได้ปฏิบทยานัทสนวิสุทธิดังั้นการที่เราได้วิสุทธิหกเนี่ยอันนั้นเป็นผลของการฟังธรรมทีนี้ผลอีกอย่างหนึ่งก็คือการฟังธรรมแล้วการได้ไปเกิดเช่นใดอายุวันนาสุขาเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลของการฟังธรรมเหมือนกันจนถึงสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยอันนั้นก็เป็นผลฉะนั้นลักษณะของผลแห่งเทศนานั้นก็คือว่าเมื่อฟังแล้ว ก็ทำให้เราได้จุดมุ่งหมายบางทีเราฟังทำเนี่ยบางทีเราคิดเอเราคิดจุดมุ่งหมายของตัวเองไม่ออกนะาเออเราเนี่ยเราจะมีจุดมุ่งหมายยังไงดีเนาะเนี่ยก็พิจารณาไปใช่ไหมก็เราพิจารณาเนี่ยยังหาจุดหมายปลายทางของตัวเองไม่พบว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะทำยังไงดีเนี่ยที่พอมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยเราก็ละสิ่งลังเล ส, สงสัย น, นั้นออกไป เมื่อละสิ่งลังเลสงสัยเบ็ดเสร็จก็เริ่มวางเป้าหมายลงชีวิตว่าเราเริ่มจะเก็บยังไงจะเริ่มจเจริญกุศลอย Programm ่างอันนี้เขาเรียกว่าวางแผนชีวิตเลยใช่ไหมแต่ classified. แต่ก่อนถ้าเราไม่ได้ฟังคําสอนเนี่ยเราก็ปล่อยเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยวันๆก็เข้าสวนทําอะไรเล่นๆไปเงี้ยเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทํากิจอะไรใช่ไหมแต่พอฟังทำแล้วแต่ Led นี้เริ่มได้จุดมุ่งหมายแล้วพอได้จุดมุ่งหมายแต่ Led นี้เขาเรียกว่ามีเป้าหมายแล้วอันนี้เป็นผลนะ อันนี้เป็นเทศนาพลังคือผลของการของเทศนาผลของการเทศนาเทศนาของใครของพระพุทธเจ้าอาจจะผ่านจะใครก็ได้ผ่านจากเด็กผ่านจากใครกล่าวก็ได้แต่เราได้ผลน่ยแต่ถ้ายังไม่ได้จุดมุ่งหมายอะไรเลยนี่นี่ยยังไม่ได้ข้อปฏิบัติอะไรเลยไม่ได้ศีลไม่ได้ศีลวิสุทธิ์ที่ไม่ได้จิตแต่วิสุทธิ์ที่ไม่ได้ทิฏฐิวิสุทธิ์ที่เป็นต้นไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ศีลสมาธิปัญญา ที่จะเป็นศึกขาสามที่จะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่ความสิ้นทุกเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ายังไม่ได้จุดหมายนะยังไม่ได้จุดมุ่งหมายหรือว่ายังไม่ได้เป้าหมายเนะี่ยแต่ถ้าหากฟังแล้วเราได้ตรงนี้แสดงว่าเราเนี่ยได้เป้าหมายได้อุดมการณ์แล้วเพราะว่าเราต้องเราต้องรู้พุทธประสงค์ใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าแสดงอะไรอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าแสดงอะไรอัอาธาโ้แสดงให้รู้จักคุณของโลก ไม่ว่าจะโลกไหนในในกามภูมเนี่ยในรูปประพูมในรูปประพูมเนี่ย ม, มีคุณมาแล้วถ้าเรามองในแง่คุณเนะี่ยมองในแง่ของความสุขเนะี่ยเออการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ดีนะการมีตาเราก็ได้มองเห็นสิ่งสวยๆงามๆการมีหูก็ได้ฟังเสียงเพราะเพราะการมีจมูกก็ได้ดมกลิ่นหอมๆการมีลิ้นก็ได้กินอาหารอร่อยอร่อยการมีกายก็ได้สัมผัสนิ่มๆเนี่ยนะการมีใจก็ได้คิดเรื่องราวต่างๆได้ประกอบอาชีพการงานได้คิด เรื่องโน้นเรื่องนีนองนอ้อันนี้ก็เรียกเป็นอัศาธาแต่ถ้ามองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้เริ่มมองแล้วไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้อันนี้เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเราหรือของของเรานี่ไม่ควรลักษณะอย่างนี้เป็นอาทินะวะเริ่มเห็นโทษของสิ่งนั้นเมื่อเราเห็นทั้งอัศธาเห็นทั้งอาทีนวะเนี่ยนิสระืเรอเราจะถ่ายถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร แล้วก็วางเป้าสูงสุดเอาไว้ก็คือว่าอริยมรรคและพระนิพพานเออถ้าเห็นอริยมรรคแล้วก็ต้องมองประทัดฐานของอริยมรรคสืบเนื่องมาตามลําดับก็ต้องมองเห็นโพชฌงเจตมองเห็นสติปัฏฐานสมองเห็นสุจริตสามมองเห็นอินทรีย์สังวรมองเห็นโยนิโสมรสิการมองเห็นสัทธธรรมมัตสวนะ์มองเห็นการคบสัตบุรุษมองเห็นการอยู่ในถิ่นที่มีพระศาสนามองถึงบุญเก่า ตรงนี้เราได้อะไรโอ้เราได้ฟังพระสัตวรทำสิ่งที่เราพึงจะชำระก็เอ๊ะตอนนี้โยนิโสมนาศิการเราดีไหมถ้าโยนิโสมนาศิการเราดีเราฟังธทำแล้วเราจะได้อินทรี์สังวรแต่ถ้าหากว่าโยนิโสมนาศิการไม่ดีเนะียเราฟังทำที่ดีนี่นะเขาอุปมาเหมือนผ้าเนะียผ้าถ้าหากว่ามันเปื้อนเนี่ยถ้าเอาไปย้อมไปซักเลยก็ยังไม่คู่ควรเออเข้าไปเอาไปย้อมเลยยังไม่คู่ควรถ้าผ้าเปื่อนเนี่ยต้องซักก่อน จิตยังเศร้าหมองยังไม่เยือบอิ่มหรือว่าสุจริตเรายังไม่ค่อยดีเนะี่ยก็ทำสุจริตสมาทานสุจริตสามไม่ดีแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมด้วยโยนิโสมนสิการต่อไปเนี่ยสติปัฏฐานสี่เราก็จะบริบูรณ์ถ้าสติปัฏฐานสี่เราบริบูรณ์นะโพชงเราก็จะบริบูรณ์นี่แสดงว่าเรามีนิสรณะแล้วนี่เราปฏิบัติเพื่อจะออกแล้วเนี่ยที่เราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แสดงว่าศีลเราดีใช่ไหมเราได้ผลจากเทศนาแล้ว เทศนาพลังผลจากการเทศนาของพระพุทธเจ้ามีผลกับเราแน่นอนเลยตอนนี้ ย, ย, ย, ยมีผลตรงที่ว่าเอ้ยราจับเราคําจุดหมายไปทางคําพุทธประสงค์ถูกแล้วสมัยก่อนเรามองพระพร์พระพุทธเจ้าเราก็มองไม่ออกใช่ไหมมองพระพุทธเจ้าหวังอะไรในตัวเราเออมองตั้งนานนะเอารูปพระพุทธเจ้ามาส่องดูใช่ไหมดูมานานเลยตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ย เฉพาะที่เรามองพ่าพุทธรูปมาในผ่านตาเรามาบางองค์บางคนเป็นมันพันองค์แล้วมั้งแต่ไม่รู้พุทธประสงค์ <c oughs> บางคนไปดูอย่างอื่นแต่ต่อไปเราต้องดูต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าหวังอะไรในตัวเราถ้าเราดูอย่างนี้นะเราเริ่มเราเข้าใจพุทธประสงค์ก่อนที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าหวังอะไรในตัวเราก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีมาในเพื่ออะไรใช่ไห เราพ้นแล้วจะให้บุคคลอื่นพ้นแล้วเราตัตรู้แล้วจะให้บุคคลอื่นรูด้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้บุคคลอื่นข้ามได้ด้วยเนี่ยหมาสมุดกล่าวคือว่อศาแต่สงสารเนี่ยมีภัยมากเออพระเจ้าบอกว่ามีภัยมากนะการเวียนว่ายตายเกิดเนะี่ยมีภัยมากมีชาติภัยชราภัยมรณะภัยเนี่ยเออในความรู้สึกลึกๆของเราจริงๆเนี่ยเราเคิดว่ามันมีภัยมากจริงๆนะเรายังไม่เชื่อว่ามันมีภัยมากใช่ไหม ทั้งๆที่ร้องโอดโอยรอบข้างเราเนี่ยนะที่จริงไอ้อย่างนั้นมันมันไอ้ที่เราเห็นปุ๊บแล้วเฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วกิเลกกิเลสมันปลอบใจเราเนะอไอ้ตัวตัวกิเลสเนี่ยเขาปลอบใจเราบอกว่าไม่เป็นร้ายเราอยู่อีกนะยังไม่ถึงเราเนี่ยมันมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยขนาดเข้าไปดูไปดูในห้องดับจิตเนี่ยนะคนตายเต็มไปหมดนเนี่ยนไปดูก็ไม่คิดอะไรนะบางคนเนะ่ เอคนตายตายก็เผาบอกไม่ได้คิดอะไรมากเอาไปดูคนป่วยกลาลังร้องโอยโอยเนี่ยเมื่อวานนี้คุยคุยกับโยมบอกว่าจริงๆนอะฉันอาจารย์หนึ่งใช้คำว่าเราเราก็แปลว่าฉันเองโดยแล้วก็จมด้วยบอกเออเรานี่มีบุญเนี่ยคู่ที่จะสบายใจที่มีบุญก็คือว่ารู้กำหนดตายไง อะไรหลายคนที่นั่งกันอยู่เขาไม่รู้เราว่าเขาจะตายเมื่อไรแต่เรารู้เนี่ยหมอกําหนดให้เราว่าตอนนั้นตายแต่มันอาจจะไม่แน่เท่านั้นเองแต่รู้เนี่ยแสดงว่าใช้ได้ใช่ไหมสุพรหมเทพบุตรเนี่ยรู้ว่าอีกเ็ดวันจะตายก็ยังวิ่งหาที่พึ่งได้เท้าสการู้ว่าตัวเองจะตายก็ยังวิ่งหาที่พึ่งได้ดังนั้นคนที่เขารู้ว่าจะตายแล้วเกิดทันในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามีที่พึ่งกันหมดแล้วอย่างเราเนี่ย ก็รู้เหมนกันว่าจะตายใช่ไหมต้องวิ่งหาที่พึ่งนะทีนี้บางทีเราไอ้เราก็เราถ้าต้องถามในความรู้สึกเราว่าอีจริงๆเราได้ที่พึ่งหรือยังถ้าคนได้ที่พึ่งเนี่ยเขาไม่กลัวแล้วถ้าได้ที่พึ่งจริงๆนเนี่ยเนยไม่กลัวตายแล้ว<ม>บางทีบางทีบางคนก็บอกว่าไม่เห็นต้องมาพูดบ่อ ย, อยๆได้เรื่องตายก็ว่าไงไอ้คนที่ไม่พูดเรื่องตายเนี่ยพอจะตายขึ้นมาเนี่ยกลัวมากที่สุด กลัวมากๆแต่คนที่กล่าวหรือคิดถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเนะีเห็นความตายปุ๊บเนี่ยเช่นว่าสัตว์ทั้งหลายจากตายด้วยสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราสวดกันเนี่ยนะบอกว่าพอบอกว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยเราคิดโู้ใครก็ตายจากตายแน่นาค่อยก็จากตายและเราก็จะต้องตายเนี่ยนะพราะคิดบ่อยๆเนี่ยนะต่อมาเนี่ยมันเริ่มแล้เริ่มเริ่มไม่ประมาทแต่ถ้าไม่คิดตื่นนั้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกผล ผลของเทศนาประการต่อมาคืออุบายอุบายเนี่ยคือวิธีการที่ทําอย่างไรจะให้สําเร็จในสิ่งนั้นคําว่าอุบายในที่นี้หมายถึงอริยมยรรคเ น, นีเป็นประธฐานภูตเป็นปุปภะพปฏิปทานปฏิปทานเป็นประธาฐานเบื้องต้นแกอริยมรรคอะไรเป็นปฏิประธาเป็นเบื้องต้นการรักษาศีลเป็นต้นก็ถ้าอย่างว่าอย่างที่บอกว่านรชน ผู้มีปัญญานรชนผู้มีปัญญาคือบุคคลหรือสัตว์โลกทั้งหลายหรือเวนยชนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มที่มีวินัยทั้งหลายเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยนะตั้งมั่นในศีลไอคำว่าตั้งมั่นในศีลเนี่ยเขาเรียกอุบายเขาเรียกว่ามีอุบายแล้วเนถ้าหากว่าใครไม่มีศีลถ้าไปตรวจสอบดูเออคุณมีปาติโมกสังวรศีลไหมมีศีลห้ามีศีลแปดมีศีลสิบมีศีล 2องมีมีศีล227มี31มร้อยเมสินสามรอเป็นต้นถ้าไม่มีศีลถ้าไม่ตั้งอยู่ในสินเนี่ยเขาเรียกไม่มีไม่มีอุบายอุบายในที่นั้นก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปรรทัดฐานเป็นพื้นฐานอย่างการบรรลุเขาเรียกอุบายอุปายยากนั้นคนถ้ามีสินใช่ไหมสินนี่เป็นปัจจัยให้เกิดอวิปฏิสารนี่ เอาวิปฏิสานคือความไม่เดือดร้อนใจเบื้องต้นเลยนะลำดับแรกๆเลยเราได้ความไม่เดือดร้อนใจแล้วการตั้งมั่นอยู่ในศีลการสมาทานศีลเนี่ยการเกี่ยวข้องกับศีลการสมาทานศีลบ่อยๆการตรึกถึงศีลอาศีลมาใคร่ครวนเอามาพิจารณาเอามาทําให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงให้ได้เนะี่ยนะทำศีลให้เกิดขึ้นในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้เนะี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอุบายอุปายะ การตั้งอยู่ในสีอย่างนี้เขาเรียกมีอุบายแล้วเพราะอะไรการมีศีลเป็นปัจจัยให้ได้เอาวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็เป็นปัจจัยให้ได้ปราโมดปาโมดนี่เป็นปีติยงอนเนปราโมดเป็นปัจจัยเกิดปีติความอิใจปีติก็เป็นปจัจจัยเกิดปัสสัต t h ปัจสัตมีสองส่วนในส่วนกายปัจสัต t i แล้วก็จิตตปัสัต กายปสัสสตินั้นเป็นความสงบของเจตสิกขันสามที่เกี่ยวกับกุศลเนะี่ยถ้าจิตตาปสัสสติกับความสงบของจิตในการงานนันเป็นกุศลเหมือนกันทีนี้ความสงบเนี่ยในการงานนันเป็นกุศลให้พิจารณาเสีนถ้ามีศีลนี่นพะพอมีศีลเนี่ยถ้ามีปลามโมดมีปีติแล้วมันจะสงบมันจะสุขไอ้ความสงบนเนี่ยนะมันจะเป็นปัจจัยเกิดความสุขใช่หไหม พอความสุขถึงจะเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิแต่อตอนนี้สมมุติศีลก็ไม่มีแล้วไปทําให้ไปเจริญสมาธิเนี่ยไม่มีแร้วมีคนคนหนึ่งก็บอกโอ๊ยเขาฟงสาัานมากเขาพอกฟุงสั้นฟุงสัานบอกว่าผมทําสมาธิไม่ได้เลยท่านถามตทำเป็นยังไงไม่รู้เป็นอะไรก็ว่าคือเขาเขาฟงุงพอไปตรวจสอบดูที่ทําสมาธิไม่ได้เนี่ยตรวจสอบดูอะไรรู้ไหมศีลไม่ดีถ้าหากว่าศีลดีนี่นะสมาธิเกิดง่ายเพราะว่า จะไม่เดือดรอ้อนพิจารณาดูกายกรรมวจียยกรรมเช่ไหมพิจารณาศีลทุกข้อตอนเองไม่ได้ล่วงละเมิดเลยไม่ว่าจะเป็นปานาติบาตอาธินนาทานกาเมสุมิฉาจารมุสาวาตหรือสุรามีอะไรนี่ไม่ไม่มีเลยไม่มีเกี่ยวข้องที่ตรงนี้เลยหรือจะตรวจสอบกายกรรมวจียยกรรมและมโนกรรมก็ได้สุดจริตกายก็สุจริวยยรรจีก็สุจริตมโนก็สุดจริญศีลดีเนี่ยนะ เพราะศีลดีเนี่ยพื้นฐานจิตใจดีแล้วกําจัดโทสะไปได้แล้วเพราะโทสะไม่เกิดตอนนี้อาวิปติสารอาวิปติสารก็แปลว่าไม่เดือดร้อนใจเออถ้าไม่มีศีนเดือดร้อนใจนะเช่นเห็นคนตายตู้มันนึกถึงตนเองโอ้โหเราก็จะต้องจะตายหรือถ้ามีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนขึ้นมาอีกโอ้ศีนก็ไม่มีเนี่ยไปใหญ่เลยตอนนี้คิดหนักเลยตอนนี้ยฉะนั้นลักษณะอย่างนี้จะต้องตรวจสอบแล้วก็พิจารณาดูให้ดีแล้วก็บอกว่า สินเนี่ยเป็นปัจัยให้เกิดอวิปปิสรารอวิปปิสารเป็นปจัจัยเกิดปราโมดปราโมดเป็นปจัจัยเกิดปีติปีติดก็เป็นปัจัยเกิดปัสสธิปสัสสติจึงจะเป็นปจัจจัยเกิดสุขสุขเป็นปัจัยเกิดสมาธิสมาธิก็เป็นปจัปนปจจัยเกิดยถาภูตยานัทสนะไอ้ตัวยถาภูตยานัทสนะอีกในยะหนึ่งก็คือเป็นกรรมสกตาสมาธิถิก็ได้คือปัญญาที่ไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วก็กรรมสกตาสมาธิิ ตัวนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัววิปัสนาด้วยนะสูงกว่านั้นก็เป็นตัวทิฏฐิวิสุทธิ์ด้วยเขาบอกว่าศีลและทิฏฐิที่ตรงถึงจะเป็นเบื้องต้นของการของของพรหมจรรย์ฉะนั้นการมีอุบายเนี่ยนะอุบายในที่นี้เขาเรียกว่าเริ่มมีพื้นฐานมีเป้าหมายถ้ามีศีลเนี่ยเริ่มแสดงว่าปูพื้นฐานได้ดีแล้วถ้าตั้งมั่นในศีลต่อมาเนี่ย ศีลมีอยู่ในสองสถานะศีลนั้นทำทรงไว้ซึ่งกายทำกายกรรมและวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลดไม่ให้กระจัดกระจายนั้นในหนึ่งเศรษฐอีกในหนึ่งเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงเป็นอุปทารณาเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงก็คือว่าสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัทสนะเป็นต้นเนี่ยต้องอาศัยศีลเนี่ยนะประการต่อมาคืออานัต อนัตเนะ่คือคำสั่งของพระพุทธเจ้าหรือคำแนะนำคำเชิญชวนให้มาประพฤติ ธ, ธรรมพระพุทธเจ้านั้นนะ่ยผู้เหมาะสมเพื่อให้เพื่อคำสั่งในทางเขาเรียกว่าคำใดที่พระพุทธเจ้าเชิญชวนมาปฏิบัติเชิญให้มาดูอันนั้นเรียกว่าอานัตอนัต ด, นะดูตัวไหนสุญโตโลกังอเวคสุ ดูก่อนโมฆขาลาเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจงเนี่ยคำว่าจงนี่เป็นอนัตนะจงเนี่ยเป็นอนัตจงปฏิบัติเนี่ยบอกว่าจงปาราความเพียนเนี่ยอันนี้จดตัวเป็นอนัตทท้งนั้นแหละจดตัวเป็นอนัตอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าตัววิริยะเนี่ยนะตัววิริยะเนี่ยตัวความเพียนเนี่ยที่บอกว่าจงบากบัน่น จงเพียรพยายามจงต่อสู้เนืองเนืองเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยคำในลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นอนัตคือเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าบางแห่งถือว่าเป็นคำร้องขอก็ได้ตมเหเธอทั้งหลายอารัมพะถะจงเพียร น, นิกรรมะถะจงบากบันยุนยุนชะธะจงสู้เนืองเนือง พุทธศาสนาในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือว่าเธอทั้งหลายจงเพียรเนี่ยจงเพียร น, นี่เป็นอนัตแล้วจงเพียรจงบากบั่นก็เป็นอนัตจงสู้เนืองเ น, องเนืองก็เป็นอนัตในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือทํำยังไงคือเจริญสมถะและวิปัสสนาแปลว่าต้องมีอุบายแล้วนะถึงต้องถึงมามีตรงนี้ได้อ่ะ ต้องมีอุบายและต้องมีตั้งอยู่บนศีลแล้วพอมีศีลและเบ็ดเสร็จก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปารบว่าจงดูก่อนเธอทั้งหลายจงเพียรจงบากบานันจงสู้เนือ ง, นองในพระพุทธศาสนาคือในการเจริญสมถะและวิปัสสนาจงทำลายซึ่งกองทัพของมัจจุราชราวกะช้างบทขยี้อยู่หรือทำลายอยู่ซึ่งเรือนไม้อ้อช่นนั้นว่านันถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้คาว่า อรารามัฏฐานิกมาฐาเธอทั้งหลายจงเพียรจงบากบัน่นคำว่าอรารามัฏฐานนิกมาฐาเนี่ยเป็นคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประธานแห่งความเพียรฉะนั้นขณะคำนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความเพียรอาศัยคำนี้คนฟังก็เกิดกำลังใจใเกิดวิริยะขึ้นมาฉะนั้นอารามัฏฐานิกมาฐา น, านี้ท่านเรียกว่าเป็นคำเชิญชวนคำแนะนำคำชักจูงก็ได้ให้เกิดความเพียรอันนี้เขาเรียกอานัต ถือเป็นประทัดฐานของความเพียรเธอทั้งหลายจงประกอบเนืองๆคือใช้ความเพียรในพระพุทธศาสนาก็หมายความว่าในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าสมาธิเนี่เป็นประทัดฐานถ้าถามบอกว่าเป็นประทัดฐานความเพียรเนี่ยก็หมายความว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเป็นการแสดงประทัดฐานในเกิดสมาธิเป็นต้นนนแล้วก็จงทาลายเสยนาของมัจจุราช คือเครื่องมือวิธีการเป็นต้นเนี่ยที่เป็นเหตุให้ตายเนี่ยต้องการลบกับเสนาของของมารเนี่ยก็ต้องเอาปัญญานี่ยแหละดังที่ได้ไปลบนั้นปัญญานเนี่ยเป็นประทัดฐานทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็จะขจัดมาร น, นั้นได้เป็นต้นเออถ้าหากว่าพิจารณาจากคําสอนตรงนี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสคําว่าอานัตเข้าไว้เนี่ยเพื่อจะให้เรา เกิดความภาคเพียนเกิดความพยายามสรุปคําสอนตรงนี้ก็คือพุทธเจ้าเทศนาอะไรก็บอกพุทธเจ้าแสดงอัาธาแสดงอาทีนาวะแสดงนิสระแสดงผลแสดงอุบายแล้วก็แสดงอนัตหประการนี้นี่แหละเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี่นะทรงแสดงธรรมนี่นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ถ้าบอกเออพระพุทธเจ้าแสดงอะไรก็บอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรม ทีนี้ในการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าก็จะจ ะ, จะยบบอกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเป็นเหตุแห่งการฟังย่อมทาสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็จิตของผู้ฟังก็ผ่องใสเป็นต้นนและการฟังธรรมมาเนี่ยทีนี้ประการต่อมานในสูตรหนึ่งจากอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยหกประการเนี่ยมีหประการ จิตของภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ํามีการมราคาสังโยชน์เป็นต้นนี่นะไม่หลุดพ้นจากกิเลสในเวลาใกล้ตายเธอเห็นพระตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมแก่เธองามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกราศพรหมจรรย์พร้อมได้อัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะแก่เธอ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังเทศนานี้นี้เป็นอนิสงฆ์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมในการอันควรในข้อนี้หมายความบอกว่าในสมัยที่พระบ ร, รมศ า, ศาสดายังทรงดํารงพระชนอยู่นั้นภิกษุรูปใดป่วยหนักพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมด้วยพระกรุณาและทรงแสดงธรรมให้ฟังแต่เมื่อตอนที่ท่านพักพระคุณะอาพาธได้นะพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยม แล้วก็แสดงธรรมให้ฟังภิกษุอาพาธนั้นได้บรรลุเป็นพระอนาคานี่คืออา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมเนี่ยในเวลาเจ็บป่วยและใกล้จะตาย น, นี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นก็บอกว่าคนที่ป่วยเนี่ยเหมาะที่สุดก็คือว่าต้องรีบค้นขวายในการที่จะฟังธรรมให้มากอันนี้หมายถึงป่วยเนี่ยอันนี้เตือนตัวเองด้วยเนี่ยต้องฟังธรรมให้เยอะคือคือเมื่อฟังแล้วจิตผ่องใสประการที่สอง พระผู้มีพระเจ้าตรัสแก่ท่านพระนนว่าจิตของผู้ฟังยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้ากามราคะปฏิฆะเป็นต้นเนี่ยนะในเวลาใกล้จะตายจริงๆในเรื่องเนี้ที่พระเจ้าแสดงแก่พระพระพระคุูนาที่ป่วยหนึง่งเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้ยินได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงทำงามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางงามในที่สุด ประกาศพรหมจันทร์คือมรรคพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งบัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพ่อได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอนนลนี้เป็นอ น, นิสงฆ์ข้อที่สองในการฟังธรรมในการอันควรเออเออนี่เป็นอ น, นิสงฆ์ข้อที่2เอนน อ, อ, อนนถ้าเราอ่านในพระสูตรพอ บ, บ่อยๆเวลาที่พิสูตรรูปใดรูปหนึ่งอาพาธเนี่ยถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ไปเยี่ยมก็จะมีสาวกของพระพุทธองค์ไปเยี่ยมเช่น ภาษารีบุตรบ้างพระตอานนบ้างเนี่ยไปเยี่ยมแล้วแสดงฟังทำให้ฟังเพิกษับางรูปที่เป็นปุถุชนเมื่อได้ฟังทำแล้วได้บรรลุมรรคผลก่อนมรณาภาพเพราะเหตุนั้นการฟังทำในเวลาใกล้าตายนั้นผู้ฟังได้รับประโยชน์และมีอานิสงส์อย่างนี้อย่างเราก็ตั้งใจเขาไว้นะใกล้าตายหาใครไปเทศให้อัดเทปเขาไว้เยอะๆแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่เลยนะบอกกับใครอย่ามาลบควณแล้วที่พ่อม่า ก, ก็ทําดีนะ ใครใกล้จะตายไม่ค่อยมีคนรบกวนเอาทํามาบ้างเอาพระเจดีย์บ้างเอาอะไรต่างๆเขาให้มองพระเจดีย์ถ้ายิ่งใกล้จะตายลูกหลานมันหนีไปร้องไห้ไกลๆ ก, ก, กันหมดแหละในยุคนี้โอ้โหกอดกันจนกระทั่งใจขาดเลยเนะี่ยอันนี้เสียหายเพราะพระเถรองทรงสแสดงว่าจิตของผู้ฟังยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้าตายเนี่ยนะ เธอไม่ได้เห็นพระธรรคตและไม่ได้เห็นสาวกของพระธรรมคตเลยแต่ย่อมตรึกตองเพ่งด้วยใจอันนี้คือกลุ่มนักคิดเมื่อตรึกตองเพ่งด้วยใจซึ่งทําตามที่ได้ฟังตามที่ได้เรียนมาจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ํา้ดูก่อนอานน์นี้เป็นอ น, นิสงส์ข้อที่3ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการนันควรข้อนี้หมายความว่าในเวลาที่ใกล้จะตายแม้จะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้พบสาวกของพพุทธเจ้า คือไม่ได้ฟังทมในขณนะนั้นก็จริงแต่อาศัยที่เคยศึกษาฟังมามากเนี่ยที่เราฟังไว้เนี่ยฟังให้มากจน